ให้ออกแต่พันษาเนะ่ใจอย่าออกใจอย่าออกจากวัดใจให้อยู่ในวัดในที่นี้หมายถึงข้อวัดปฏิบัติโมราณท่านว่าไว้ว่าจะเป็นสุขก็เพราะเอาทุกข์เป็นทุนก่อนจะเป็นก้อนทีละน้อยค่อยผสม จะเป็นพระก็ต้องละกามารมณ์จะเป็นพรหมก็ต้องเพียรเรียนทำฌา น, น, น, นท่านอธิบายว่าอย่างนี้ก็ส่งพาันจดจำเอาไปพิจารณาดูนี่ก็เคยแสดงให้ฟังมาหลายครั้งแล้วละ่ะ แต่ว่าผู้ที่จำไม่ได้ก็มีดังนั้นจึงต้องแสดงย้ำแล้วย้ำอีกเพราะเป็นเรื่องสำคัญผู้จะมีความสุขในฐานะใ ด, ดในเพศใ ด, ดก็ดีมันก็ต้องเอาทุกขเป็นทุนก่อนทั้งนั้นเลยชาวนาชาวสวนชาว หัตกรรมการก่อสร้างก็ดีทำราชการงานเมืองก็ดีมันร่วงตั้งแต่เอาทุกเป็นทุนทั้งนั้นการงานต่างๆที่ทำลงไปมันจะไม่เป็นทุกข์ไม่มีเลยฮหตที่เขาทำลุร่วงมาได้ก็เพราะเขาอดทนต่อข่มทุกข์ยากลาบากไม่ย่อท้อทำไมเดือด ว, วิสัยจริงๆ่างั้น เป็นพระภิกษุสามนเณรก็เหมือนกันนะอความทุกข์ของพระภิกษุสามนเณรมันก็ต่างจากความทุกข์ของคฤหัสถ์ความทุกข์ของภิกษุสามนเณรส่วนมากก็ทุกข์ด้วยอํานาจของกิเลสมันเผาเอามันเผาจิตเผาใจเอาใจจึงได้ เร่าร้อนออกวนกวายจึงเป็นทุกข์มากนี่แหละทุกข์ของวิสุทธสามเณรมันอยู่ตรงนี้วันนี้เมื่อคนใดไม่อดทนต่อความทุกข์ยากลำบากในการทำความเพียรมันก็เอาชนะกิเลสตัณหาไม่ได้อเอเดิน จึงต้องเอาทุกเป็นทนุนทุกเพราะอดหลับอดนอนนอนไม่มากมทุกเพราะนั่งสมาธิให้นานๆ น, นเดินจงกรมให้นาน น, านอืมันก็เป็นทุกอยู่มันก็เหนื่อยเมยื่อยล้าเป็นธรรมดาอย่างนี้นะ ทกเพราะเหตุว่าบางคนก็สานอาหารมื้อเดียวนี่ก็หิวห้ยลอยแรงก็มีก็ต้องอดทนต่อความอยากควาหิวอันนั้นความหิวมันก็เป็นทุกข์อันนึงอเป็นกันดังนั้นีย่ว่าเมื่อได้เอาทุกข์เป็นทน ทำความเพียรคาจากกิเลสตัณหาให้น้อยบาวางออกไปเท่าใดมันก็มีความสุขเป็นกรรําไรแบบนี้นแต่ว่าไม่ใช่ว่าเอาทุกข์เป็นทุนประกอบความเพียรไปแล้วไม่มีความสุขเป็นกําไรเลยอย่างนี้ยิงอยู่ถ้าผู้ที่ทําความเพียรไม่ถึงที่ทาความเพียเรเล็กๆน้อยๆล้วหยุดเสีย กิเลสก็ไม่แห้งไม่ววาวางไปอย่างนี้มันจะไม่ได้รับความสุขเป็นผลเลยอ่าเปรียงฮะดังนั้นให้พากันทั้งเกตดูจิตใจของตัวเองทุกคนว่าเท่าที่ตนบวชมาทำความเพียรมาอดทนมานี่กิเลสมันน้อยเบาบางลงไหม มันพอที่จะประพฤติพรหมจัน์ไปได้หรือไม่อันนี้เป็นหน้าที่ของแต่ละบุคคลจะพึงพิจารณาตัวเองเอาจะให้คนอื่นพิจารณาให้พยาการให้ไม่ได้เลยเพราะว่าไอ้เรื่องอย่างนี้มันเกิดเกิดขึ้นจากความรู้สึกนึกคิดทาง จ, จิตใจ มันไม่เกิดมาแต่ภายนอกไปอย่างนั้นดังนั้นผูใ้ใดไม่ดูจิตดวใจของตนมันก็ไม่สามารถจะรู้ว่ากิเลสในหัวใจเนี่ยมันน้อยเบาบางออกไปเท่าไหร่ก็ไ ม, นะมไม่รู้อย่างนี้นะเมื่อไม่รู้อย่างนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้พีติตรามโมต ถ้ารู้อย่างนี้มันก็ก็อ๋อที่เราปฏิบัติจเจริญธรรมถัยพัฒนามานี่ภายในพรรษาสามเดือนนี่ารู้สึกว่ากิเลสมันเบาบางลงไปมากอย่างนี้มันก็ได้ปีติพร้โมอในใจอย่างนี้แหละมันก็ไม่ได้ความเดือดร้อนเดือดเนื้อร้อนใจเพราะการประพฤติคมประจัน ความมุ่งหมายก็เพื่อกำจัดกิเลสอยู่ในหัวใจนี่ให้น้อยนอย้นอยเบาบางออกไปจากกิจใจถ้าพอได้บวชเข้ามาหวังผลอย่างอื่นนั้นไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องเรื่องมันนะดังนั้นจงพากันตั้งใจให้มันถูกต้อง เมื่อตั้งใจว่าเราจะกำจัดกิเลสออกจา ก, กิจใจนี่แหละมันจะทุกข์อย่างไรเราก็สู้เราจะเอาทุกเป็นทนแน่นอนเลยทีเดียวถ้าเราถ้าไม่ยอมเอาทุกข์เป็นทนไม่ยอมทุกข์มันก็ทำความเพียรไม่ได้เช่นอย่างว่านั่งสมาธินะั้นนอย่างนี้นะไม่อดไม่ทนมันก็นั่งไม่ได้ นหน่งก็ลุกหนอีอันธรรมดาที่พานั่งภาวนาทุกวันนี้อย่างนั้นก็มันไม่เกินชั่วโมงหนึ่งแต่บางคนไม่ได้เลยลุกหนีไม่ทันจบเลย อ, อันนี้แสดงว่าไม่ได้เอาทุกข์เป็นทนเลยพอเกิดทุกข์ขึ้นหน่อยหนึ่งก็ย่อท้อแล้วถอยแล้ว เมื่อเป็นเช่นนี้มันจะเอาชนะกิเลสได้ที่ไหนล่ะลองคิดดูให้ดีกิเลสมันก็บววางตั้งตอกจากจิตใจได้ต่อเมื่อบคุคคลทํำความเพียรบําเพ็ญตปะธรรมทําความเพียรเอาจนกิเลสเล่าร้อนโน่นะจนว่ากิเลสมันนิ่งอยู่ไม่ได้เลยมันเล่าร้อนขึ้นในใจ แต่ผู้ปฏิบัติบางคนก็ไม่รู้เลยตนปฏิบัติไปภาวนาไปเอา้าทำไมจิตถึงเราร้อนจิตทำไมจึงไม่สงบไม่เยือกเย็นหัวอันนั้นแหละให้เข้าใจการทำความเพียรไม่เท่อไม่ถอยเนะ่มันเป็นตะปรทำเครื่องเผากิเลสให้เราร้อนเอากิเลสมันอยู่กับใจนี่นะ เผาก็เผาใจเรื่องนี้แหละความเพียรเพ่งพินิษณนะดันั้นเมื่อสติปัญญามันแก่กล้าเข้าไปแล้วมันเผากิเลสในหัวใจเข้าไปกิเลสมันก็อยู่ไม่ได้กับดิ้นนะ่ะนั่นแหละตอนกิเลสมันดิ้นนั่นแหละมันปั่นจิตของคนเราให้พุ่งซ่านเลือเล่อนลอยไปหาความสงบไม่ได้เลยเ แตถ้าผู้รู้เท่ารู้ทันก็นอืมอันนี้เรียกว่าความเพียรมันเผากิเลสให้เราร้อนกิเลสอยู่ใน จ, จิตใจไม่ได้มันจึงพุ่งออกไปข้างนอกเป็นนิมิตต่างๆนานานะอืมถ้ากิเลสฝ่อยทั่วมันก่อนนิมิตไม่ดีเช่นเห็นคนที่น่าเกลียดน่ากลัวต่างๆเป็นตน้นดังที่เคยพูดมาแล้วอืม อย่างนี้แหละเมื่อเห็นคนที่น่าเกลียด น, น่ากลัวก็แล้วก็อุ๊ยกลัวไม่ภาวานาต่อไปอีกแล้วเืีเช่นนี้ละใจมันจะสงบได้อย่างไรเล่าหวนหนนจะเอาช น, นะกิเลสสมานเอาผนเกิดดิมิตอันใดหนึ่งว่าขวางหน้าแล้วก็ย่อท้อท่อใจอ ก็เราไปตามนิมิตดีกว่ามันสบายดีอย่างนี้เยแต่ที่แท้แล้วมันหลอกไปสู่สถานที่เป็นทุกข์เป็นยากไม่ใช่ว่ากิเลสมันจะนำดวงจิตนี่ไปเกิดที่สุขสบายไม่ต้องทำการงานอะไรไม่ต้องประพฤติพรหมจรรย์อะไรเลย เมื่อตายไปแล้วก็ไปเกิดใหม่ก็มีกิเลสมันเบาบางออกไปจา ก, ก จ, จิตใจแต่บางคนก็ไม่รู้ไม่รู้ว่ากิเลสมันเบาบางจา ก, กจิตใจขึ้ตนกิเลสอันใดที่มันยังเหลืออยู่มันก็คุกคามจิตใจต่อ ใจก็ย่อท้อเลยแบบนี้แบบนี้เห็นจะบาพืทธภูมิจัน์ไปไม่ได้แล้วเพราะว่านั่งที่ไหนอยู่ที่ไหนก็มีใจเร่าร้อนหาเพียนสุขไห ม, มในในั่นและว่าคิดอย่างนี้แล้วมันก็ท้อใจนะวันนี้นะท้อใจไม่ไม่ไม่ยอมไปเผชิญหน้ากับกิเลสแท้ที่จริงแล้วนะ อย่าไปกลัวกิเลสผู้ปฏิบัติธรรมในพระพิสาสนานี่นะเมื่อกิเลสมันเกิดขึ้นอย่างไรมาเราก็เพ่งกิเลสอ น, นั้นเพจารณาให้มันเห็นความจริงของกิเลสนั่นนั่นก็กิเลสก็คือสังขารสภาพที่ถูกปรุงแต่งให้เกิดขึ้นกับจิตนี่แหละมันปรุงแต่งความรักเึินบ้าง ปรุงแต่งความชังความโกรธความวิบาทขึ้นบ้างมันตกแต่งความหลงเกิดขึ้นในใจทำให้ใจเห็นผิดเป็นชอบในข้อปฏิบัติอันเป็นทางดำเนินออกจากทุกข์นี่นะเมื่อจิตใจไม่ชอบกับคุณธรรมเหล่านี้แล้วมกิเลสมันก็ได้ท่าแล้วเพราะตนไม่ ไม่บัคัขปองคุณธรรมให้มีอยู่ในใจใจไม่หนักแน่นแล้วพอไปเจออำนาจของกิเลสเข้าทานี้ก็สะดุ้งหวาดกลัวต่ออำนาจของกิเลสตัณณ น, นั้ น, นอ่าก็เป็นอย่างนี้แหลสะสาเหตุที่นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเชื่อว่าไม่สามารถที่จะทำกิเลสให้น้อยเบาบาง ออกไปจากกิจสันดานได้เพราะว่าทำอะไรไม่ทำจริงไม่อดไม่ทนอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นเนี่ยอยากจะให้ปฏิบัติไปให้มันสบายสบายไปไม่ต้องได้ต่อสู้กับอุปสรรคหรือต่อสู้กับกิเลสตัณหาอะไรเลยเช่นนี้จึงจะพอใจปฏิบัติทำไป ผู้ได้เห็นอย่างนั้นแล้วนะวพาผิดพลาดไม่ถูกไม่ถูกทางเลยคำวาตปะธรรมนั่นแปลว่าเป็นผู้มีความเพียรเพ่งพินิจอยู่ไม่ย่อท้อเมื่อเพ่งคำวัางมาเข้าไปอนุภาพอย่างความเพ่งนี้ก็เผากิเลสให้เล่าร้อนท่านเรียกวาตปะธรรม นั่นแหละถ้าใครไม่อดไม่ทนไม่เพ่งอยู่อย่างนั้นแล้วกิเลสมันก็มีกำลังกล้าอยู่เหมือนเดิมมันก็ครอบงมจิตได้ดันงนั้นพูใ้ใรรู้ตัวแล้วก็รีบขจัดปัญเสียด้วยการทำความเพียรเพ่งพินิษดูด สภาพของจิตใจนี้เมื่อมันยึดมั่นสิ่งใดอยู่ก็รู้แล้วก็อธิษฐานใจละลงไปเรื่องนี้มันก็จะดีก่อจริงอยู่แต่มันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วแปรพนแตกลับไปดังนั้นจึงไม่ควรยึดถือเอาเอาไม่ยึดถือเอาความดีเราจะเอาอะไรมาเป็นที่พึ่งเอาความจริงมาเป็นที่พึ่ง ความจริงดีกว่าความดีหรือว่าสูงกว่าความดีแล้วก็ไม่อย่างนั้นคือมันจริงใจนี่อ่มันจริงใจเช่นมองเห็นว่าราคะปัญหานี่เป็นเหตุให้เกิ ด, กดทุกข์มันก็จริงใจงจริงๆแน่นอนอนะเป็นเหตุให้เกิ ด, กดทุกข์แท้ๆอย่างนี้นะเราจะไม่ส่งเสริมราคะปัญหานี่เลย มีแต่จัลละมันให้ดับไปลูกเดียวตั้งใจเด็ดเดียวลงว่าอย่างนี้แล้วมันก็แน่อนอะนกิเลสมันก็กำเริบขึ้นในใจไม่ได้เพราะว่าตั้งใจไม่ส่งเสริมมันนี่เมื่อไม่ส่งเสริมมันเกิดขึ้นมาก็มีแต่กำหนดละมันไปเรื่อยๆเท่านั้นนี่ไม่ไม่ได้เลี้ยงกิเลสไว้หมายความว่าอย่างนั้น นี่แหละให้พากันจำอบายหร่อนี้ไว้อย่าไปมัวแต่กลัวทุกข์กลัวตายอยู่อย่างเดียวถึงบุคคลไม่ทำความเพียรเห็นแต่แก่รับแกนอนอย่างนี้ซึ่งว่ามันจะอายุยืนต่อไปไม่ไม่ดักมันจะอายุยืนยังไงเล่าหมดบนเก่ากรรมเก่าแล้วตองตายอย่างที่เคยแสดงมาแล้วนั่นเนี่ยใครจะนั่งแก น, นอนอยู่ตามสบาย ง, ง่ายก็ช่าง เมื่อมันหมดกรรมเก่าแล้วมันก็ตายเท่านั้นเองแล้วอย่างนี้ี่เราจะไปยินดีก็ความสุขชั่วคราวอันนั้นทําไมลนะ่ะในเมื่อความสุขชั่วคราวนะั้นมันอาศัยร่างกายนี่นะเมื่อร่างกายนี่ยังปกติอยู่ก็เป็นสุขสบายเป็นปกติไปออกไปไปแล้วร่างกายไม่เที่ยงอ มันวิบัติแปรปวนไปเช่นนี้แล้วจิตใจนี่มันมันก็เสียดาย เ, ออเสียดายความสุขในกิเลสตะกามวัตถุกามนั้นออก็เป็นทุกข์เกิดร้อ น, อนเป็นอย่างนั้นคนที่ไม่ข่มใจไม่อดไม่ทนต่อหน้าของกิเลส จะเป็นก้อนทีละน้อยก่อยผสมนี่เทียบทำทางธรรมะการสั่งสมบุญกุศลนี่นะอาจจะไปสั่งสมให้เอามงมากทีเดียวมันก็ไม่ได้เพราะว่าเมื่อเหตุผลไม่เพียงไม่เพียงพอมันก็มากไม่ได้อยู่เองนะ่ะบุญกุศลนี่นะเพราะงั้นนั้นเราไม่ต้อง วิตกวิจาร์ว่าบุญกุศลอยู่ไหนหนอะท่านว่าทำบุญได้บุญนะนะเราไม่เห็นมีอยู่ในนี้เลยเรานั่งอยู่องไรก็อยู่อย่างนั้นมันน่าสงสัยจริงๆนะข้อนี้ก็ดีแต่้นวันที่มันจะสิ้นสงสัยได้นะก็ต่อเมื่อจิตมาเพ่ง เข้าไปภายในมีสติปกติปะคลองจิตให้พิจารณาร่างกายสังขารเห็นตามเป็นจริงเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาต า, ตามเป็นจริงอย่างนี้นะแล้วเมื่อพี่นายเห็นบ่บอยๆนี้เเกิดนิพิทาความเบอร์หน่ายขึ้นมาเบอร์หน่ายมันก็คลายความยึดความถือจิตกระรวมลงเป็นหนึ่ง นี่แหละตอนจิตรวมลงเป็นหนึ่งแล้วปัญญาจะเกิดขึ้นนะ เ, เมื่อปัญญาเกิดขึ้นมันก็วินิจฉัยตัวเองได้อย่างที่ว่ามาแล้ววินิจฉัยขณะนี้นะตอนยึดเอากิเลสอะไรไว้ในหัวใจอืมเราวิตกกําหนดอย่างนี้มันก็เกิดความรู้ความฉลาดในอารมณ์ของจิตขึ้นมา อ๋อเรามันยึดเอากิเลสอย่างนี้อย่างนี้ไว้อยึดเอาความรักไว้ยึดเอาความชังไว้อย่างนี้นะยึดเอาความเห็นแก่ตัวไว้ไม่คิดช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นเลยอืมโมนี่อันท่าพิจารณาดูจริงแล้วมันก็รู้ได้มันรู้ได้เพรมันรู้ได้อย่างนั้นแล้ว ตนปราสนาความถูกความเจเริญแก่ตนก็ต้องลงมือทำความเพียรเพ่งละความเห็นแก่ตัวต่างๆนานาหมนั้นออกจากจิตใจให้ได้เปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นขอตักเตือนพุทธกรีษาทั้งหลายให้มันกลวดการดูตนของตนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ถ้าไม่กรวดการดูแล้วมันมันหลงจริงๆอะ่ะอืมบางทีมันก็สําคัญว่าตนไม่มีกิเลสแล้วอืมเมื่อเมื่อบางทีมันกิเลสมันคึกกระดองขึ้นมาตนก็ไม่มีอุบายที่จะระงับมันเพราะตนไม่ฝึกมาแต่ก่อนพอกิเลสอันใด ม, มันเกิดขึ้นในจิตใจ ก็วิ่งไปตามมันทันทีอ่าอย่างนี้แหละใา่เหตุที่บุคคลจะละกิเลสไม่ได้จะเที่ยวตายทเที่ยวเกิดอยู่ในโลกสนิวัติอันนี้ดังนั้นพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเนะี่ยจึงไม่ควรกลัวต่ออำนาจของกิเลสกลัวทำไมกิเลสก็จิตตรงนี้แหละสร้างขึ้นมา ไม่ใช่มันเกิดเองนะสังกป ร, ราโคปุริสัตสกามโมนั่นแหละความกำนัดเกิดแต่ความดำริความดำริเป็นกามของคนอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าแสดงพาสิตไว้ยอย่างนี้ ราคะตัณหาทั้งหลายมันเกิดจากความดำริหมายความอย่างนั้นความวิตกวิจารรักอย่างนั้นอยากได้อย่างนี้มองเห็นว่าสิ่งนั้นสวยงามสิ่งนั้นควรได้ควรมีมันก็วิตกวิจารขึ้นอยากได้พอวิตกวิจารอยากได้เท่าไหร่มันก็ยิ่ง จิตก็ยิ่งเป็นทุกข์หลายขึ้นเท่านั้นมันเป็นย่งนั้นไม่ใช่ว่าความอยากคิดปรุงแต่งไปแล้วไม่ได้ลงมือทําอะไรตอนอไรเลยมันจะไม่เป็นทุกข์เลยอย่างนี้ไม่ใช่ถึงไม่ได้ทำไม่แสวงหาตามความอยากในหัวใจก็ท่างแต่เมื่อจิตสร้างความอยากนั้นขึ้นมาแล้วความอยากนั้นมันก็เผาจิตให้เราร้อน อยู่ตามธรรมชาติของมันนั่นแหละเหมือนยังไฟเข้าใกล้มันแล้วมันก็ร้อนน ะ, ะมันก็รวบรล่นเอาไม่เอาอย่างนี้นะกิเลสตัณหานี่ก็เหมือนกันนะความทะเยอทะยานอยากต่างๆนี่ก็เมื่อดวงกิจนี่ส่งเสริมมันนะอ่ามันคิดไปในทา ง, ขงแข่งความอยากอย่างโนดอย่างนี้ก็ส่งเสริมมันยินดีไปตามมัน แค่เนี่ยเมื่อมันผิดฝังมาแล้วมันก็เป็นทุกข์เดือดร้อนนี่นะดังนั้นเนี่ยเราเป็นชาวพุทธนะควรฉลาดควรมีปัญญามันอยากได้อะไรอย่างนี้นะเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็อธิษฐานถึงบุญบา ร, รมีนั่นออม สาธุเนอร์าบุญบารมีของข้าพเจ้ามีก็ขอให้สิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการปัถ น, นานี้จงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าโดยโดยความสะดวกสบายไม่ต้องได้เอาทุกเป็นทุนลำบากกากกรรมเกินประมาณถ้าหากว่าบุญมีหลายจริงๆนะ บุญบันดาลแล้วมันก็ได้มาอย่างง่ายๆแบบนี้นะนั่นแหละไม่ได้ลำบากอดทนกาจัดกิเลสตอนนี้ออกจากจิตใจไ ม, ม่มีอย่างนี้เนี่ยเหตุต่งนั้นนะ่ะผู้ใดจะทั่งมสมบุญุกุศล ให้มีกำลังแก่กล้าขึ้นในใจก็ไม่ต้องวู้วามเราต้องคิดว่าเราต้องค่อยทำค่อยไปแต่ทำไม่ถอยอย่างนี้นะทำทีละน้อยละน้อยไปทำความดีถ้าตนกำลังใจกำลังกายยังไม่พอแต่ทำไม่ถอย เมื่อทำไม่ถอยทำบ่อยๆกุศลมันก็งอกขึ้นบ่อยๆเหมือนกันอย่างนี้แหละเมื่อมันรวมกำลังกันเข้ามากเข้าไปถึงแม้มันจะเกิดขึ้นทีแรกเล็กๆน้อยๆนานไปแล้วมันก็มากขึ้นมากขึ้นในตัวมันก็มันก็เต็มได้เหมือนคน คนตักน้ําใส่ให้ใส่องค์องค์ใหญ่อย่างนี้นะตักใครเที่ยวเดียวสองเที่ยวมันจะเต็มยังไงเรามันใหญ่อ่ะอ้าวก็ต้องอดทนพยายามตักใส่ให้บ่อยๆเข้าไปหลายครั้งหลายหนเข้าไปมันก็เต็มสักครั้งหนึ่งอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละบุคคลสร้างบุญบรารมี มันก็ต้องอดต้องทนต่อทุกขเวทนาในการทำการทำงานในการเสียสละเพื่อให้อานิสงส์ในการเสียสละนั้นได้โดนบันดาลให้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าผู้เิฐในโลกขึ้นมาเพราะว่าพราะองค์ประสูติขึ้นมาทีแรกนึ่นก็คนทั้งหลายก็มามหัดจราชญ์แล้วนะนี่แหละขึ้นที่ว่าคนมีบุญอต่เป็ น, นั้นเนี่ย พรกตัวประสูติมาทีแรกนี่เดินได้เลยเดินไปได้เจ็ดเก้านู่นพอไปถึงที่สุดแล้วเดินได้เจ็ดเก้าแล้ววันนี้เดินได้เจ็ดเก้าแล้วก็ทรงประกาศกาพระองค์นี่เป็นผู้ประเสริฐในโลกชาตินี้เป็นชาติที่สุดชาติอื่นไม่มีต่อไปอีกแล้ว แล้วพระองค์ก็เสด็จกลับมาเมื่อกลับมาแล้วแม่เลี้ยงนางนมก็รับเอาไปเลี้ยงดูรักษานี่แหละให้พากันพิจารณาดูให้ดีการที่พระองค์ได้ประกาศความยิ่งใหญ่อย่างนั้นก็เพราะว่าพระองค์ รู้สึกสำนึกตัวแล้วตั้งแต่คลอดออกมาทางแรกครั้งแรกเลยประเดียวรู้ว่าบาไปไป็นไงบุญคุณโทษไป็นไงรู้ความทุกข์ไปยังไงอย่างนี้นะมันรู้แอืะดังนั้นพอเกิดมาเป็นเด็กเป็นเล็กตัว น, นี้ก็ยินดีอยากทำบุญกุศลแล้วเหมือนอย่างที่เป็นพระเวทสันดรหมูนั่นนะ เาเกิดขึ้นมาแล้วอยากจะให้ทานเลยแพ้โรคภัยไข้เจ็บก็แพ้อยากอยากให้ทา น, นเมื่อพ่อแม่รู้เข้าอย่างนี้แล้วก็เอาเอาสิ่งของให้พระ อ, องค์ให้ทานไปไม่มีอันเลยอย่างนี้นั่นแหละ ในที่สุดกิเลสตัณหาบาปท ร, รมันก็เบาบางลงไปเมื่อเพียรไม่ยามให้เพียรไม่ยามบริจาคไม่ท้อไม่ถอยแต่ทางนี้ไม่ใช่คำหมักคำเอนเอาจนเกินขอบเขต น, นะการทำความเพียรแก่กล้าไปเท่าไรความหดหู่ใจย่อท้อใจก็ยิ่งมีเท่านั้นมันเป็นคู่กัน แต่คู่กันชั่วคราวมเมื่อพระ อ, องค์ได้ตัดทะลุแล้วพระ อ, องค์ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับนิวรณห้านี้เลยอพอพระองค์เอาชนะเด้ดขาดได้แล้วนิวรณห้านี้จะไปครอบงามจิตใจของพระ อ, องค์ให้าามีความสุขเหมือนกันชั่วคราวอย่างนี้ไม่ได้เลยเพราะองค์จะไม่รับสมบัติของใครแล้ว แต่ตนของตนยังมีสมบัติมารับอนุกจากพระพุทธบิดาพระพุทธมารดาก็ได้มากเขาแล้วนะมากกว่าวงสาคัญยากที่ทำความเพียรละกิเลสปาประธรรมบำเพ็ญบุญกุศลให้เกิดมีขึ้นในใจอย่างนี้ก็เป็นที่พออกพอใจ ของพระพุทธเจ้าและของพระสงฆ์สาวกของพระองค์ก็เื่นชมยินดีด้วยท่านผู้ที่มีความเพียรเพ่งพินิษเป็นตปาธรรมกำจัดอาสวะกิเลสให้น้อยบาวางจากกิจใจไปเทวดาก็เื่นชมยินดีนะผู้ใดทำดีอย่างสงูงกันมาอย่างว่านี้นะ ผู้ใดทำไม่ดีเท่าไหร่นี่เทวดาก็แทบมองไม่เห็นเลยอย่าว่าแต่คนอื่นจะสงก็สงหาเลยแต่เทวดามีบุหนักสักไก่ถึงอย่างนั้นก็ยังตกเป็นทาสแห่งตันหาอยู่ก็ยังมี อ, มอย่างนั้นเนี่ยดังนั้นเราทุกคนเนี่ยเป็นชาวพุทธเป็นลูกศิษย์ของพระเจ้าแล้ว เอาตั้งใจลงไปอย่าไปทอ้อไปถอยถ้าเราตายด้วยบำเพ็ญสมาี่พอเมื่อเวลาหมดบุญในสวรรค์ชั้นนั้นนั้นแล้วลงมาเกิดในโลกนี้ก็เกิดดีเกิดในตระกูลสูงมีร่างกายสดสวยสดงดงามพอประมาณแต่ อ, อย่างนี้มันมีมาอยู่แล้วถึงปัจจุบันนี่แหละเพราะฉะนั้นเนะี่ ห้อยพากันตั้งอกตั้งใจที่เจรณาปฏิบัติตามคำอของพระพุทธเจ้าดังแสดงให้ฟังมานี้แล้วก็จะเป็นผู้เจริญด้วยบุญด้วยกุศลดีไม่ดีว่าถนามีมากก็สามารถเจริญด้วยมรรคผลธรรมวิเศษดังแสดงมา